สายต่อไปจะเป็นเรื่องของคุณคิงฮะคุณคิงจะมาพร้อมประสบการณ์จากน้องลูกเกดครับน้องลูกเกดนำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้กับคุณคิงฟังแล้วคุณคิงก็นำเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ฟังกันอีกทอดหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ5าปีก่อนนะครับในโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสีสเกตครับใช้ชื่อเรื่องว่าหลอนเสียงเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6ในค่าคืนวันนี้ครับ อย่างที่บอกว่าถ้าเรื่องของคุณคิงจบเร็วเราน่าจะมีอีกสักหนึ่งเรื่องครับสแตนบายรอไว้และดูเหมือนว่าตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณคิงได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่6ในค่าคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณคิงครับสวัสดี ค, ครับผมเราไม่ได้คุยกันหลายสัปดาห์ อ๋อนะครับน่าจะยุ่งนะช่วงนี้ปั้นพระอยู่เบ้าอ่าพอดีว่าพญานาคที่ผมปั้นนะแล้วก็เอามาถวายวัดแล้วทีนี้ว่าคนที่เขาขนส่งเขาทำของผมหักอ้าวแล้วต้องซ่อมโอ้ยงานใหญ่เลยสิฮะก็พอสมควรครับพอ๋อควรเพราะว่าอ่าการที่อันนี้อันนี้ขอเขาพูดไม่นนหมันฝาดสันิดนึงอ่ะครับการทางานอ่ะบางทีเขา เขาคิดว่าเขารู้แล้วแต่เราโอเคเราไม่ทํางานสายการยกขนส่งนี้โดยตรงเนี่ยแต่เราผ่านเงี้ยพอประมาณแล้วล่ะก็บอกเขาว่าอย่าซึ่งเราเป็นคนแล้วเราบอกเขาว่าน้ําหนักมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเงี้ยแต่เขาก็ลั้นไงนั้นเราก็เลยทําให้ของเสียหายไปเลยหน้าฟาดเลยฮะโอ้ยดูซินะเอออ้าวอ้าวอาได้ยังไงก็สู้ๆนะคุณคิงในส่วนตรงนี้นะฮะ โอเคมาว่าถึงเรื่องนี้ครับคิงออฟโกดของพวกเรานะครับเรื่องของน้องลูกเกตที่เขาล่าเรื่องนี้ให้กับคุณคิงฟังใช่นะครับเป็นโรงแรมที่หนึ่งในสีสเกตนะฮะถูกต้องครับโอเคไปยังไงครับเรื่องของหลอนเสียงที่ว่านี้คุณคิงเชิเลยฮะจะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้นะฮะก็น้องเกตเข้าโรงพยาบาลอยู่เห็นว่าป่วยถ้านอนฟังเรื่องนี้อยู่ก็เอามาเล่าแล้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นชั ประมาณห้าปีที่แล้วละ่ะครับ ถ, ถ, ถ, ถ้าไม่ได้ยินพีจะรบกวนบอกผมเลยนะครับได้เลยฮะอ่ามันเกิดขึ้นที่จังหวัดซินสเกีตตอนนั้นพอดีว่าคุณลูกเกตเนี่ยเขาทํางานเป็นเป็นซูเปอร์อของบริษัทชื่อดังที่หนึง่งแล้วเขามีหน้าที่ดูแลในเขตแถบอีสานเนี่ยทั้งหมดเลยอนนืมท่านี้ด้วยความที่เขาเพิ่งเริ่มงานในหม่เนี่ยยังไม่มีรถไงก็มาใส่พวกรถประจําทางเนี่ย ก็ต้องนั่งรถอย่างเงี้ยไปทํางานอยู่เป็นประจําครับมันเป็นช่วงที่บางทีเขาก็ไปปฏิบัติธรรมนะอือแล้วก็เพิ่งปฏิบัติธรรมผ่านใหม่ๆก่อนทีจะเกิดเรื่องนี้ด้วยครับเขาก็หลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จกลับมาเนี่ยเขต้องเดินทางไปจังหวัดสิทธิเสถีรด้วยการที่นั่งรถประจำทางเพราะว่ายังมีรถส่วนตัวไงยังไงว่าการจะไปไหนกระดิกตัวสักทีเนี่ยลําบากว่างั้นเลยครับอก็ไปถึง แลสถาน ก, การณ์ที่จะไปพับที่ไหนที่ที่บริษัทอืมคุณคุณคิงคุณคิงครับคุณคิงฮัลโหลคุณค<ม>ิงโมอ่าโอเคคุณคิงครับเมื่อกี้สัญญามันหายไปอ๋อครับผมโอเคโดยการที่ ไ, ไปไหนโดยบริษัทแล้วสัญญามันหายไปเลยครับมัน ม, มีเสียงแบบผมว่าลูกพ่แจ๊คแกมอือมไม่ไม่ไฮะปกติเลยฮะ S <S ครับครับคงเป็นสัญญาณผมเปนเสียงอะไรนะครับครับโอเคครับแล้วก็ไปอ่าพรจัดที่เป็นการบอกลักษณะบอกเหมือนกับโยนลูกให้กันว่าอะไรเนี่ยเคยเคยไปพักที่เนี่ยลองไปดูดีอะไรอย่างเงี้ย น, นะครับอืมเขาก็ได้ที่ที่พักเป็นโรงแรมที่หนึ่งในจังหวัดศรีสะเกดผมไม่ขอบอกตัวว่าอำเภอไหนหละกันได้ครับเพราะว่าแถบนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีอยู่ไม่กี่ที่อืมอืม เดีจะเป็นที่เดียวเลยก็ได้นะฮะถ้าเกิดเราบอกเคตอันนี้ไปแล้วก็เอข้าไปถิ่เนี่ยร้วยความที่นั่งรถโดยสารไปเนี่ยก็ไปถึงช่วงสักประมาณเย็นแล้วอ่ะเย็นค่าๆแะ้วเป็นโรงแรมโรงแรมนี่เป็นลักษณะโรงแรมเก่าซึ่งตอนแรกที่คุยกันเนี่ยน้องเขาบอกว่าเป็นลักษณะของโรงแรมที่มีห้องชั้นบนและชั้นล่างเรียงหันหน้าไปทางเดียวกันออืเป็นอาคารเดียวผมก็นึกว่านเป็นยังไงนะหลังจากที่เขาส่งรูปมาให้แล้วคุยกัน ผมถึงได้รู้ว่ามันมีลักษณะน่าจะเป็นโรงเรียนเก่าอืมคือคุณคิงอาคารคเรียนเก่าคุณคุณคิงดูรู้เลยใช่ไหมว่าเนี่ยเป็นโครงสร้างของอาคารเรียนใช่ครับอืมอืมอืมเป็นลักษณะของโรงเรียนต้องบอกว่าบนโรงเรียนตามต่างจังหวัดที่เราเคยเห็นคุ้นตาว่าข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเป็นปูนอย่างนั้นเลยะครับแต่ว่าทุกวันนี้เป็นเป็นเป็นปูนหมดแล้วนะครับทั้งสองชั้นเลยแต่ว่าสมัยที่น้องเข้าไปตอนนั้นน่ะ ขั้นบนเป็นไม้ชั้นล่างเป็นปูนครับเนี่ภาพก็คงจะนึ ก, กออกนะฮะใครที่เคยไปเรนตามต่างจังหวัดเ น, นี่ยครับแล้วทีนี้การที่เข้าไปถึงเนี่ยเขาอยากจะทานอาหารเนี่ยจะต้องเดินออกจากโรงแร ม, มผ่านพวกซอยเล็กซอยน้อยเนี่ยคือตัวของน้องเขาเนี่จะได้ห้องพัดออกจากอาคารเนี่ยมาอีกห้องหนึ่งครับซึ่งซึ่งเป็นห้องปูนนะครับแต่ว่า ม, มันจะอยู่เยื้องๆกันนะ่ะ ตรงกระไดมุมลงของอีกขออาคารเนีคย 1, 1. 1> ับผมหนึ่งชันหนึ่งครับซึ่งนึกถึงภาพโรงอาคารเรียนต่างจังหวัดมันจะมีขึ้นได้สองฝั่งลงได้สองฝั่งครับอ่าของห้องเขาจะติดอยู่ทางลงฝั่งหนึ่ง้วเป็นห้องปูนแยกออกมาต่างหากครับผมแล้วก็ทีนี้การที่เขาจะเดินไปรับประทานอาหารเนี่ยเขาจะต้องเดินผ่านไปที่อ่าเป็นสวนอาหารครับแยกออกมาจากตัวโรงแรมหน่อยก็ต้องเดินผ่านซอยเล็กซอยน้อยไป ของข้างท้ายนี่มีจัดต้นไม้เป็นเลยนะครับต่อไปห้องอาหารนี่ก็พลืมบอกไปห้องที่น้องเขาได้นี่เป็นห้องที่เลขดีมากเลยนะผู้จัดฮะสองสองสองตองสองเลยใช่ส่วน<อ>ใหญ่เนี่ยถ้าเป็โรงแรมถ้าไปพักเนี่ยไม่ว่าจะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเลขสามถ้าถ้าเป็นตองอ่ะตัวผมคนเยนยอ่ผมจะดีดตัวถ้าเป็นตองนะครับถ้าเป็นตองแล้วผมจะดีตัวอือแล้วท่านี้อ่น้องก็ก็เดินผ่านไป พอไปรับประทานอาหารไปอะไรเสร็จอย่างเงี้ยตอนที่เขาจะกลับมันก็เป็นเวลาที่มืดแล้วลักษณะมืดแล้วในป่าเขาได้บอกแล้วว่ามืดขนาดไหนแล้วเขาก็กําลังเดินกลับโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าใครๆก็บอกว่าที่นี่ดีคนเก่านะครับเดินผ่านกลับไปปุ๊กไปเจอระหว่างทางเนี่ยไปเจอเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งในชุนเรียนยืนก้มหน้าอยู่ น้องเขาก็ไม่ได้สนใจงไงเพราะว่ามันอาจจะเป็นลูกหลานคุณงานที่นี่ก็ได้ครับแล้วพอเดินผ่านไปถึงเขาก็ได้ยินห้อผู้หญิงคนนั้นนะพูดมาคำหนึ่งซมแแม่แต่ซอแสครับพูดว่าซมแแม่แต่ซอแสครับและพูดจำอยูอย่เงี้ยในระหว่างนี้เขากำลังจะเดินผ่านไนงะคือคนเดินมันไม่ได้เร็วเกินไปไงที่เดินผ่านเด็กคนนี้ก็พูดจาเงี้ยนะซมแแม่แต่ซอแสซมแแม่แต่ซอแส เขาก็อะไรของมันวะแล้วเขาก็เดินผ่านไปเป็นปกติออ่าพอเดินผ่านไปเป็นปกติเสร็จตเนี้ยกจับเข้ามาที่ห้องขอกลับเข้ามาที่ห้องเสร็จแล้วก็ไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยแต่ว่ายังนึกถึงเรื่องเด็กคนเมื่อกี้นี้ว่าพูดอะไรของมันวะแล้วพูดตอนจังหวะเราเดินด้วยก็เลยทําให้อาจจะเป็นไปได้ว่าเก็บไปฝันในครั้งแรกเพราะว่าเก็บไปฝันว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ยมายีน้าห้องอืม มาดินหน้าห้องวพว่าโซแมตซอรแซครับซึ่งเป็นภาษาอะไรเขาก็ไม่เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เลยเอโซแมตซอรแซครับโซแมตซอรแซพูดอย่างเงี้ยเขาเขาอะไรอ่ะงเแล้วคือจนอย่างเงี้จนเต้นนะในขณะในขณะที่สะดุ้งตื่นจากความฝันมาเนี่ยเหมือนมีเงาคนอยู่ตรงบันเก็ตข้างหน้าห้องด้วยอืมอืมแล้วก็เหมือนจะได้ยินนะแล้วว่าโซแมตซอรแซคําเดิมครับ ซึ่งเสียงเนี้ยมันเริ่มจะทำให้น้องเขาแบบรู้สึกไม่ดีแล้วอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะเขาคิด ว, ว่าอาจจะเป็นเด็กที่ขอโทษนคะครับอาจจะเป็นเด็กที่อ่าทางทางประสาทเสียสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย น, นะฮะก็เลยอะไม่เป็นไรไม่ได้ใส่ใจแต่นี้พอมาคืนที่สองคืนที่สองเขาก็ไปไปแล้วก็ เหมือนเดิมทานอาหารเส็จเดินกลับมาเจอน้องผู้หญิงเนี่ยยืนท่าเดิ ม, ดด ม, ามาลักษณะของน้องผู้หญิงคนนี้จะซื้อเป็นเด็กที่ผมหน้ามายืนก้มหน้าอยู่ลักษณะหน้าชักประมาณมห้ามหกประมาณเนี่ยอืมแล้วเขาก็เดินผ่านพอกระลังจังจังหวะที่เดินผ่านเขาสังเกตเห็นว่าที่คอน้องวิ่งเนี่ยมีเลือดตอนนี้แหละสัญชาตญาณคนจะบอกว่ามันไม่ปกติแล้วพอพราะเห็นว่าคอมีเลือดแต่ยังไม่เห็นว่าเป็นบาดแผลอะไแต่เห็นว่าเป็นเลือดระ surm ลงมา เพาว่าไอ้ด้านคอด้านบน ท, ท, ที่จุดที่เลือดมันซึมออกมาเน่ะเขาก้มหน้าแล้วคางเขาบังอยู่ออืก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นแผลมากน้อยแค่ไหนครับคําเดิมโสมแหม่แ so ต so ่ซอแซ่เขาก็เลยตัดสินใจวิ่งวิ่งกึ่งเดินเลยแล้วระหว่างที่วิ่งกลับเนี่ยคือรู้ว่าไม่ดีแล้วไง ร, รู้ว่าไม่ดีแล้วระหว่างที่วิ่งกลับเสียงม้าหอนดังระงมตลอดทางออืแล้วลเหมือนมีเสียงเนียวิ่งไล่โสแม่แ so ต so so so so so ่ซอแซโสแม่แต่ซอแซโสแม่แต่เขาก็ hey เฮ้เรื่องไม่ดีแล้วิว่งเข้าห้องแล้วก็อยู่อย่างนั้นทั้งคืนคจนไม่ได้นอนครับจนไม่นอนแล้ว่าทั้งคืนเนี่ยเหมือนมีคนมายินหน้าหน้าหน้าตานะ่างอ่ะแล้วก็พูดคาเนี้ยอีกตลอดเขาว่าใจไม่ค่อยดีแล้วแต่ตัวเขาเองแหละเขามีตาเป็นจับเปรย์นนะมีคุณตาเป็นจับเปรย์แล้วนเป็นคนที่มีเชื้อสายมอญก็เลยค่อนข้างจะมีสัมพันธ์ทางนี้เพราะว่าตอนเด็กเนะี่ยเขาบอกว่าตอนเด็กนะเคยเค ย, เคยเจอเจอเรื่องไม่ดีออืเรื่องไม่ดีก็คือ มีผู้หญิงเดินมาแล้วมาลูบหน้าเขาแล้วบอกว่าหน้าตาสวยจังเลยอยากได้ครับแล้วคุณตาเขาก็เอาขันเครื่งแล้วผู้หญิง้ก็ร้องกี๊ดเขาบอกเขาจำได้เขาเป็นเด็กก็จาได้แล้วตาเขาบอกเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันเป็นปอบครับตั้งแต่นั้นมาเหมือนดวนน้องเขาเกิดจะถกแต่เขารอดมาได้ก็เลยกลายเป็นว่ามีสัมผัสอย่างนี้ไปเลยครับอ่าพอหลังจากนั้นเสร็จเช้าวันที่สามเขาก็ไม่ได้ทานอาหารเนี่ยไม่ทานไม่อะไร เพราะว่าต้องรีบออกแล้วมันวกกับไม่ได้นอนด้วยหมวดแต่ทำอะไรเงี้ยงๆอยู่มานรีบออกไปอันนี้กลับมาอ่ากลับมาตอนคืนก็ไม่ได้ไม่ได้ทานข้าววันนั้นไม่ได้ไปทานข้าวแล้วก็ทําอะไรทำไมเสร็จแล้วก็อาบหน้าร่วงมากเลยหนื่อยนอนออืวันนี้ไม่ได้เจอตัวจริงๆเหมือนที่เจอทุกวันแต่เจอในฝันว่าน้องผู้หญิงคนที่เคยมายืนทั้งข้างนอกที่เห็นนะทั้งในฝันที่มายืนหน้าห้อง วันนี้ฝันฝันว่าเดินเข้ามาแบบเปิดประตูเข้ามาแล้วมานั่งที่ปลายเตียงครับแล้วพูดว่าโซ so แมทแต่สอแส่ล้วค่อยๆหันหน้ามาแล้วหน้านี่เลือยดเต็มเลยนะเลี่ดเต็มเลยจนมาถึ ง, องคอหลายคนก็จะบอกโซแมทแต่สอแส so so so ่โซแมทแต่สอแซ่ก็ไม่ไดซอแส่ดังขึ้นดังขึ้น เ, เขาก็เหมือนกลัวสุดขีดในฝันะจนสะดุง้งตื่นพอเดินมามองที่หน้าต่างมันเก็บเห็นเงคนยืนอยู่แล้วก็มีเสียงพูดคํานึ่งว่าโซแมทแต่สอแซม เขเห็นแล้ก็เงียบไปบเป็นยวสุดท้ายก็ที่ตื่นมาเขาบอกตรงๆว่าจิตใจไม่ดีเนอือจิตใจไม่ดีเลยตอนนั้นนะแล้วอย่างเนี่ยเขาช่วงที่ว่าเขาฝันน่ะเขาเรียกคุณนตาด้วยแล้วก็ฝันอินุณนตามาช่วยอะไรเงี้ยหลายอย่า ง, างจนเขาเนี่ยเริ่มร่มแบบสับสนโลกมันคืออะไรสิงที่เจอต้องอยู่นี่หลายวันด้วยปดใจไม่ไหวก็ถานเด็กออืพวกเด็กพนักงานเนี่ยเขาต้องมีใครพูดอะไรนะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะไม่รู้จริงๆก็ได้เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรนะ เขาเห็นวิอะไรเนี่ยครับตอนนี้เอ่อีกวันหนึ่งต่อมาเขาก็ไปทํางานปกติตอนเย็นกลับมาตั้งใจว่าวันเดี๋ยววันเนี้ยจะไปกินข้าวแต่หัววันแล้วรีบกลับเพื่อที่จะไม่ลอยมืดมืนทุกวันก็ไปกินข้าวแล้วก็เหมือนลวงนะพี่จะฝนตกเขาต้องติดอยู่งั้นจนถึงสองทุ่มครับพอสองทุ่มแล้วก็ตัดสินใจที่จะวิ่ง่าฝนกลับ ในขณะที่วิ่งฝ่าฝนกลับเนี่ยคือวิ่งไม่มองอะไรเลยจะเห็นหอยู่ไม่เห็นไม่รู้อะแล้วฝนก็ลงกระหน่ำแรงด้วยก็วิ่งไปแต่มีเสียงคนอนะว่าที่เราวิ่งย่ำน้ำแล้วมันจะมีเสียงคนวิ่งตามเราอนะเราจะรู้แยกเสียงออกคมันเหมือนคนมีคนวิน่งไล่เขาตลอดแล้วก็มีเสีย ง, งสแส่สอดแสไ่ไล่มาตลอดจนถึงห้องออืปกติฝนตกแล้วแกเ้เห็นมาห อ, อนตอนฝนตกอืมไม่ค่อยนะฮะใช่พรเวลามาอ่อแล้วฝนตกแล้วมาจะหนาวจะหลบ หอนนี่มันจะเป็นประเภทติดสัตว์ตอนจะจัด จ, ดจนเครียดจนเป็นอะไรเหรือว่าหูไม่ได้ยินเสียงอะไรไประละเวลาซึ่งมันจะเพิ่เกิดขึ้นตอนฝนตกฝนตกมันจะกบเสียงทุกอย่างหมดครับแต่เขาบอกวันนั้นอ่ะมาหอนเต็มไปทั้งที่ฝนตกหนักด้วยหอนดังลั่นไปหมดเลยในระหว่างทางที่วิ่งแล้วมาหอนที่แถวหน้าห้องอก็ตัดสินใจอ่าลืมบอกที่นีงนะครับวันที่ว่าก่อนที่เขาจะวิ่งกลับเนี่ยเขาคุยกับแม่แม่ครัวแล้วว่า เขาเจออย่างเงี้ยแม่คัวตอนแรกยังไม่พูดเลยแต่ตกใจทํามมาคำนึงบอกู้เห็นด้วยเหรอลูกออืเขาก็เงียบว่าคืออะไรแต่ว่าตาแม่ครัวก็ยังไม่บอกอทีเดียวและนี่คืนนั้นหลังที่วิ่งฝาฝนขึไปไม่เจออะไรจะเจอเสียงอย่างเงี้ยเสียงมาหอนเสียงส้มไม่ได้ท้อแทนจนเก็บไปฝันออเก็บไปฝันอีกฝันว่าเขาเนี่ยมาพูดอย่างเงี้ยอยู่หน้าห้องก็เลยตื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งอาง เขเตือนขึ้นลุกขึ้นเล้งแล้วมองไปที่บันเจกบันเดงว่าจะเห็นอะไรไหมปรากฏไม่เห็นแล้วมีเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดมาว่าโซเมแตซแต่โซเมแตซแต่โซเมแต่ซแต่ดังขึ้นดังขึ้นน้องคือความกลัวคนเรามันสุดขีดแล้วพี่จ๊คเขาตะกี้ตะกอเลยแปลว่ามึงพูดอะไรกูไม่รู้เรื่องออถ้ามึงต้องการลงจะบอกกูดีๆครับถ้าอย่างนี้กูให้ไม่ได้ออแล้วมีเสียงกระซิบเบาๆที่ข้างหูงว่าทาบุญให้หน่อย บอกว่าทําบุญให้หน่อยใช่ครับหลังจากที่พูดอย่างเงี้ยนะแล้วก็อ่าอีกวันมังก็คิดว่าจะทําบุญแล้วก็โมจะยุ่งว่าอ่างเงี้ยปั้นใจทำไม่ได้ทําครับไม่ทําเสร็จก็มาเจอเสียงอย่างเงี้ยร้อนนี่เขาเลยตัดสินใจถามป้าแม่ครัวให้เด็กถามด้วยว่ามันคืออะไรกับเหตุการณ์ที่เจอแล้วป้าก็เหมือนจะรู้เรื่องครับป้าแต่ก็สงสารแล้วด้วยความที่น้องเขาอ้อนเขาบอกว่าใช้คาว่าอ้อนเลยป้าบอกหนูหน่อยจะได้รู้หรือคนอยู่หรือคนไปครับ ป้ากัเลยบอกว่าคือก่อนหน้าเนี้ยโรงแรมที่เปิดเนี่ยโซนสวนอาหารเนี่ยยังไม่มีมันเป็นป่าอื อ, อันนี้ก็มีเด็กนักเรียนผู้หญิงคนหนึ่งมงปลายแล้วเนี่ยโดนฉุดมาคงคขืนแล้วก็ฆ่าปาดคอครับอยู่ตรงบริเวณที่หนูบอกว่าหนูเจอ น, นั่นแหละซึ่งมันก็มีคนเจอเยอะนะแต่ตั้งแต่ที่เปิดเป็นสวนอาหารเนี่ยไม่มีใครเจอแล้วนะครับจนมันมีหนูนี่แหละเจอออือซึ่งจะเป็นส่วนที่นี่พูดปาาก็ยังคิดว่าอุปทาน หรือมันแต่งเรื่อ ง, องมาอ้ำแต่หนูเป็นคนที่อื่นไงหนูไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนแล้วหนูก็มาพูดเนะคร<ะ>ับป้าคิดว่าสุงคมพอดีโก้มันรู้อย่างนั้นน้องเขาก็เลยไม่อยู่พรน้องเขาไม่อยู่เขาก็เลยไปอาศัยนอนห้องเพื่อนคือคนเราทํางานที่นี่นแหละหลายๆวันเข้าก็เริ่มมีคนรู้จักและเป็นผู้หญิงด้วยไงเขาก็เลยปรึกษาเรื่องเนี้ยความที่เป็นผู้หญิงก็ดูไม่มีพิดพลาด อ, อยู่แล้วก็เลยไปนอนห้องเพื่อนได้แล้วก็ ตัดสินใจไปทำบุญให้กับพระพระที่นั่นเป็นพระเก่งแค่ไหนไม่รู้อนรู้แต่พอเห็นหน้าน้องเขาเสร็จหลังจากที่น้องเขาถวายสังฆทานพระพูดมาคำรึงว่าครับกวดน้นําให้เขาแล้วพูดเป็นภาษาเขมรนะออแล้วก็ให้น้องผู้หญิงคนที่เป็นเพื่อนนะ่ะซึ่งเป็นคนท้องถิ่นที่พูดภาษาสวยภาษาเขมรเขาว่าให้พูดนําหน้าน้องเกตศให้น้องเกตพูดตาม ทั้งทั้งที่พระท่านไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะฮะไม่รู้เรื่องอด้วยครับโอเป็นหว่างที่ทวารสังฆานเสร็จแล้พระท่านก็บุ้นอย่างเงี้ยครับบอกให้บอกบอกว่าให้กรวดน้ําเป็นภาษาเขมร น, นะอ๋อเขาจะได้มารับคบ่ะอย่างที่บอกครับว่าเรื่องนี้มันก็ทําให้น้องเขาเนี่ยไม่กล้าไปพักตามโรงแรมนเลยโรงแรมนี้สภาพนะพี่แจ๊คคือ ผมผมผมไม่ส่งให้พี่แจ็คดีกว่าเดี๋ยวมีคนจะไปรบกวนพี่ว่าขอดูหน่อยขอพี่หน<อ>่อยอย่างเงี้ยแต่แต่ผมบอกเลยว่าน่ากลัวน้องเขาเคุณส่งมาให้มื่อกี้ก่อนเข้ารายการครั้หนึ่งเนี่ยคือมีแต่ต้นไม้่เดี๋ยวผมจะอธิบายตามภาพให้นะมีแต่ต้นไม้ออืหลังคางก็จะเป็นสีแดงแล้วพี่แจ็คนีกภาพว่าเป็นอาคารเรียนเก่าซึ่งตอนนี้เปลี่ยนเป็นปูนและไอ้ที่เป็นไม้ด้านบนออือคือมีต้นไม้ขึ้นบงังจนสูงถึงขนาด อาคารด้านบนเลยแล้วต้นไม้เนี่ยตอนนี้ผมมองรูปเนลืองต้นไม้ประกบติดหน้าอาคารเลยออกมาเนี่ยก็ยื้มมือหยิบต้นไม้ได้เลยโอ้โหแล้วเลากลงคือมันจะลงคร้มขนาดไหนออืออนี่นี่คือสภาพโรงแรมเหรอฮะจะให้ใช่ใช่ผมเห็นรูป อ, อยู่ผมคิดในใจว่านี่มันเอ่เรือนคุณยายวราณามาเนี่ยผมก็ยังมองมองอยูอย่ะครับ มีการถ่ายถ่า ย, ยาติเามีเ่ขาด้วยเพราะว่าน่ากลัวจริงในผมนั่งมองอยู่แล้วปอดีไม้ ย, ยื่นวังรับยื่นมือไปปุ๊บจับต้นไม้ได้เลยอบอกแค่เนี้เท่าที่ผมมองด้วยนะครับแค่โลเคชั่นก็ไม่น่าพักแล้ว อ, <ช>อว่าคุณผู้ฟังลองนึกภาพโรงเรียนในสมัยอดีตนะฮะในสมัยก่อนคือผมผมผมผมทันตอนสมัยประถมนะครับจะเป็นอาคารเรียนยาวๆนะครับข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นไม้โรงเรียนกึ่งไม้กึ่งปูนเชื่อว่าตามต่างจังหวัดยังเห็นอยู่ สภาพโรงเรียนแบบนี้ยังยังพอมีให้เห็นอยู่ออยังมีครับยังมีบางที่ผกไปทางอีสานจะมีอยู่พวกแชอีสานจะมีเยอะเองใช่ถูกต้องนะครับเอาโรงเรียนเก่ามาทำเป็นโรงแรมอ๋อนะครับและที่สำคัญคือเหตุการณ์ที่น้องเขาไปเจอฮะด้วยเหตุผลกลใดก็ไม่รู้นะครับยู่ดีไปจูนติดกับเขาเฉยเลยรั้งทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไร แล้วก็ภาษาที่เขาพูดเนี่ยพอแปลเป็นไทยออกมาก็ประมาณว่าทําบุญให้หน่อยไม่ใช่ประมาณว่ า, าเลยครับคือน้องเขาหลังจากที่น้องเขาวโวยวายไปเสียงผู้หญิงคนนะั้นน่ะจากที่เป็นภาษาเขมรก็เปลี่ยนมากระซิบข้างหูว่าทําบุญให้หน่อยอโอ้โหดูเอาจริงๆนะเพราะที่ฟังดูเหมือนเขาถ้าถามว่าเป็นภาษาแบบชาวบ้านง่ายๆเลยเหมือนเขาลาลานเหมือนกันนะ คือเหมือนเขา ต, <ช>ติดต่อใครไม่ได้อ่ะแล้วเขาติดต่อพอจูนติดน้องคนนี้ได้เนี่ยโอ้ทีนี้ตายไม่เลิกเลยมันเป็นปกติครับ อ, อาจารย์ผมเคยบอกไว้แล้วซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดเอาไว้ประมาณหนึ่งว่าครับอาจารย์ผมบอกว่าเขาไม่ได้แกล้งหลอกหรอกนะออืแต่มันเป็นจริตของผู้ที่ตายไม่ดีครับผู้ที่ตายไม่ดีเนี่ยจิตสุดท้ายของเขาไม่ดีการแสดงออกของเขาจริงไม่ดีออืเขาไม่ได้มาหลอกนะแต่เขาทําได้ดีสุดเท่านั้น เพียงเท่านั้นจึงดูเหมือนว่าเขาหลอกจริงๆเขาไม่ใช่ลนะเขาต้องการที่จะสื่อสารกับเราเพราะเราเป็นคนเดียวที่มีบุญสมพันธ์เกี่ยวกับเขาที่เขาสื่อสารได้นะขณะนั้นครับจึงทําให้เรามีความรู้สึกนว่าเขาระลานแต่ความจริงให้มองกลับมุมเหมือนกับคนที่ไม่เคยได้อะไรเลยแล้วอยู่ดีมีวันหนึ่ง คนหนึ่งในร้านคนเดินมาแล้วสามารถจะขอเขาได้แล้วรู้ขอเขาได้คนเดียวเลยครับมันเป็นโอกาสเดียวที่จะคว้าไว้จบับดวงจิดที่มืมดมนเขาเลยจําเป็นต้องทอําเลยใช่คํานี้ถูกเลยอันนี้คือยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะฮะมีคนเป็นร้านเดินผ่านมาแต่เราสามารถคุยกับเขาได้อยู่คนเดียวเขาเห็นเราเราเห็นเขาแล้วเรารต้องการในสิ่งที่เราแค่ต้องการตรงเนี้ยเราก็ต้องพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อที่จะให้เขาทําให้เราให้ได้ ใช่ครับโ อ, อ้โหแล้วเรื่องของโรงแรมเนี่ยนะครับออมันเป็นเรื่องที่ที่แบบผมบอกเลยว่าจนทุกวันปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าไปพักโรงแรมไหนจะมีหรือไม่มีออบางทีวงเห็นวิแจ๊พูดออกรายการว่าเราส่วนพยายามถามว่าที่นี่มีไหมที่นี่ไม่คื อ, อผมเข้าใจสื่อเขาบอกไม่ได้หรอกแต่คุณ <c oughs> คิดว่าคุณไปนอนอะ่ะมันก็เหมือนจะคุณไปจัดฉลากละถูกต้อง ดีก็เจอไม่ดีก็ไม่เจอคิดง่ายๆหรือวิธีที่เขามีให้แก้ก็ทําไปดิเอาเงินใส่เข้าไปใต้หมอนอย่างเงี้ยขยับเตียงนิดนึงหรือว่าเคาประตูขอก่อนก่อนที่จะผมคนนึงเปิดไปโรงแรมไหนเวลาที่ผมจะเข้าห้องเนี่ยออืผมจะเคาะประตูก่อนนะแล้วผมก็บอกไปว่าขอขออเข้านะแล้วก็ไข่ไข้รุ่งแจ๋วเข้าไปล่าสุดอนิดนึงขอห้านาทีแค่ห้านาทีเมื่อไม่นานวันนี้เองเมื่อกี่วันมีเพื่อนในกลุ่มที่ผมคุยกันเนี่ยทอา เขาอ่ารู้ว่าผมจะเดินทางไปกรุงเทพเขาก็เลยขอจัด ก, การเรื่องของโดงแรมให้ท่านี้เขาก็หวังดีอไงนะเขาไปเปิดให้เราห้องหนึ่งซึ่งผมก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัด ก, การเองอแต่เขาบอกว่าเขาเขาหวังดีเขาบอกขอให้ทาตรงนี้ให้ได้ซะหน่อยครับความหวังดีของเขาอ่ะเขาก็ผมบอกกนะันแล้วพ่แจ้งว่าอยู่อ่าอยู่ใจกลางนนทบุรีสิครับแล้วก็เขาเปิดให้ผมเสร็จ เขาก็ถามกัะเด็ก <aslında> ที่ขึ้นมาเปิดทองของเขาเพาะเขาเปิดลักษณะของการจองจ่ายตังค์ไว้ก่อนแต่คนจะพักเพมาตอนเย็นเย็นแล้วเขาก็ถามเองว่าเอาห้องที่ไม่มีผีนะอออืเพื่อนผมท่านนี้เป็นผู้หญิงนะเขาบอกเอาห้องที่ไม่มีผีนะค่ะห้องที่เขาเปิดให้ผมห้องสี่ศูนยเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดแค่ตัวเลขนี่ก็สยองแล้วนะและท่านี้เด็กเด็กเด็กที่เขาเปิดอ่ะเขาไม่รู้ยังไรเด็กเสริมบ่กเขา ไม่เคยคิดว่าเขาจะตอบมาก่อนแค่คพูดเล่นๆเขากลับหันมาตอบว่าพี่ห้องนี้ไม่มีหรอกออืถ้าจะมีจริงๆเนอ่ะ410กับ401และห้องสองห้องนี้เลขมันสลับกันนิดเดียวแล้วมันอยู่ตรงข้ามกันอนะแล้วเราจะต้องเดินผ่านออกจากลิฟต์มาก่อนอะเอถัดจากห้องเราไปไม่กี่ห้องเองนะสามห้องได้อหมแล้วในวันนั้นที่ผมไปพักพี่แจ๊คเขาก็พาผมปุเรงปุเรงกินนู่นกินนี่กินนั่ๆๆนอะ น, น, นะ พาไปดูร้านบัวลอยร้านอร่อยแล้วก็กลับมาที่ห้องคระห ว, ว่างที่เดินมาแหละเขาก็นึกสนุกนะเขาก็ไปหยุดหน้าห้องสองห้องเนี่ยแล้วเขาบอกนี่แหละสองเรานี่ยนี่แแหละสองห้องเนี่ยแต่พูดเบาๆอะ่ะผมก็บอกถ้าไม่อยากเจอก็อย่าไปยุ่งกับเขาอถูกต้องถูกต้องอวันนี้นะเขาก็บอกกุเชืหรอแล้วเขาก็เดินตามผมมาครับในขณะที่นั่งคุยกันเราก็อยากได้น้ําร้อนนะดื่มกาแฟไงผมเป็นคนที่กาแฟกดโทรศัพท์มีโทรศัพท์มีหมายเลขบอก แต่ชั้นสี่ทั้งฉั้นผมคิดว่าทั้งชั้นสัญญาโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ผมว่มันเป็นเพราะอะไรนะแต่เราก็พอจะสันนิษฐานได้เองจากการที่ผ่านเรื่องคุณีพอสมควรแล้วว่าถ้าชั้นสี่มันเียนจริงอย่างนี้เขาพูดเขาตัดสายแน่นอนเพื่อไม่ให้โทรสั่งของอะไรผมคิดเอาเองอย่างนั้นเลยนะทันนีก็มีการคุยเล่นกันอะไรกันแล้วก็เดินลงไปส่งเขา ไปทําอะไรเสร็จปุ๊บกลับมาเขาก็อ่ะไปเลยผมก็เดินขึ้นมาชั้นบนครับผมก็ขอชามเขาสองใบเขาก็เดินหายเข้าไปนะผมก็บอกเจะเอาไปให้ชั้นบนเลยนะครับเขาบอกเอาไปเลยค่ะเอาเลยครับตะโกนแบบดังลั่นเลยพี่แจ็คเหมก็ตกใจกันมากครับพอาะเารู้ว่าเราอยู่ชั้นสี่ผมว่าเอ้ยมันต้องขนาดนั้นเลยว่ามองหน้ากับแฟนออเรื่องมันแค่แค่ถึงเขาตะโกนดังลันทั้งโรงแรมเลยนะอ่ะแล้วเราก็อ่าได้ชามขึ้นไปก็เดินขึ้นไประหว่างเดินขึ้นไปนะ อยากให้เห็นอยากให้พี่แจเห็นบรรยากาศอ่ะคือมันก็น่ากลัวอยู่แล้วยังไปทําเป็นบรรยากาศเป็นเหมือนแบบอึดครึมอ่ะไม่รู้จะอึดครึมไปไหนทำให้มันดูเป็นโบราณคลาสสิกแต่ของเสื่อผมมันไม่ได้คลาสสิกเลยมันบีบหัวใจสุดๆแล้วต้องเดินผ่านสองห้องนี้ไปคืนนั้นทั้งคืนประตูห้องผมเนี่ยมีคนเขยา่าแล้วห้องระหว่างห้องเนี่ยสองห้องเนี่ยมันจะมีประตูตรงกลางที่สามารถเลื่อนเปิดหากันได้แต่เขาอุจจาระล็อกไว้เหมือนกับถ้าเกใครมาเปิดห้องรวมกันสองครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย แต่ไอคีการ์ดที่เราออกไปไปไปไปแตะข้างหน้ามันแล้วมันซึ้ดแล้วเราถึงจะเปิดเท่าได้เนี่ยถ้าห้องไหนที่มีคนพักมันจะเป็นสีเขียวให้รู้ว่ามีคนพักและคือมีการสแกนบัตรลคนอยู่ข้างในแล้วเนี่ยอันนี้มีคนพักอย่าทำเสียงดังชั้นนั้นทั้งชั้นมีห้องผมห้องเดียวที่มีคนพักนอกัานไม่ขึ้นสีเขียวเลยนอกั้นแดงหมดทุกห้อง ที่ผมรู้เราะว่าอะไรเพราะว่าผมเน่ยเดินลงไปเอาของคนเดียวอะมาแล้วแล้วผมก็เห็นว่าห้องเราเนี่ยถ้ามีคนอยู่ข้างในแต่ถึงมันล็อกเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวคือผ่านการไอแตะคียการ์ดมาแล้วครับแต่ห้องอื่นน่ยมันจะเป็นแดงหมดเลยนั่นคือยังไม่มีใครเข้าไปอยู่แต่คืนนั้นทั้งคืนมีคนเดินผ่านหน้าห้องจนผมนั่งคุยโทรศัพท์อยู่กับคุณพี่ท่านหนึ่งตามแมวเราเ่ยถ้าเรานั่งมองจากในห้องออกไปแล้วมันจะเป็นสว่างแต่เราไม่เห็นเราคืนอะไรเพราะเรานั่งอยู่ไกล แต่มันเหมือนมีคนเดินมาหุดแล้วมองย้อนจับเข้ามาในตามแนวเราเขาทํำเพื่อเพื่อจะเป็นคนจริงฮะแล้วก็ไขย่าประตูครับผมก็นั่งมองอ๋อเราเคยตอนรับเปนอย่างนี้เลยนะนี่คือเรื่องของโรงแรมคือมันเป็นเรื่องของการแช็คพอตอ่ะผมก็ตอโทษเขานะผมก็ยังมาเล่าขําตอนเช้าอยู่เลยว่าปวดท้องให้ทีนี้มอนไม่ได้ทั้งคืนเลยครับเออแต่คุณคิงพูดถูกอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าการที่จะไปพักโรงแรมมันเหมือนการซื้อหวยการจับฉลากกันแหละ นะครับคือเราต้องทำใจก่อนนะครับเพราะว่าเราไปพักในสถานที่ที่เป็นสาธารณะใครจะเข้าไปพักก็ได้แล้วก็บางโรงแรมบางที่เนี่ยเขาเปิดมานานขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้ผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผู้ได้เห็นภาพคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนการจับฉลากมันเหมือนการซื้อหวยแหละอย่าไปมองแค่เรื่องของที่พักโรงแรมอย่างเดียวนะครับก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าหลายคน จะไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่นี้จะทักมาถามเลยพี่ผมจะไปที่นี่โรงแรมไหนผีดุผมจะได้ไม่พักคือบางทีนะผมอยากจะบอกว่าผมก็ไม่ได้ทราบทั้งหมดนะครับว่าโรงแรมไหนเอ้ยมีบ้างมีหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าคือผมจําไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าส่วนมากเวลาผมฟังเรื่องหน้าใหม่ตรงเนี้ยนะครับผมจะไม่ค่อยถามว่าชื่อโรงแรมอะไรนอกจากที่มันคุ้นจริงๆเนี่ยพอจะนึกออกว่าเป็นที่ไหน นะที่ผมไม่ถามผมพยายามที่จะปิดกั้นข้อมูลตรงนี้กันคุณผู้ฟังมาถามแล้วเกิดผมหลุดปากพูดโป๊ออกไปแล้วเกิดมันคําพูดนี่มันหลุดออกไปจากปากผมไปสู่โลกโซเชียลบอกเฮ้ยได้ยินมาจากพี่แจ๊คได้ยินมาจากรายการนี้เขาบอกที่นี่ผีดุอะไรเงี้ยผมจะซวยผมก็เลยไม่รับรู้ข้อมูลตรงนี้ดีกว่านะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ผมก็คิดไว้เสมอเหมือนกันว่าเฮ้ยมันคือการเสี่ยง คือแต่ส่วนมากผมจะเป็นผู้โชคดีตรงนี้ซะมากกว่าเพราะว่าไม่เจอไม่เคยเจอเ อ, อ, อะไรแปลกๆนะครับตอนที่ไปไปพักตามโรงแรมต่างๆ ต, ตลอดทั้งชีวิตณนะถึงปัจจุบันนี้ที่ ท, ที่ที่จําความได้นะรครับส่วนมากก็จะไปเจอลักษณะของโรงแรมที่มันโอ้โหมีช่วงนี้ผมเคยเล่าให้ฟังโรงแรมแถว อ, อบ้านโป่งนะครับที่เป็นโรงแรมแบบ โอ้คือละสองสามร้อยอ่ะที่ผมจำเป็นต้องไปพักกันนะครับแบบหัวนั้นน่ากลัวจริงแต่ก็ไม่เจออะไรแตามันแบบมันกดดันมันบีบหัวใจแค่นั้นเองนะครับกับกับกับสภาพที่ที่เราต้องไปเจออะไรประมาณเนี้ย ม, มันมีนะพี่<ม>ที่แจ็คเพิมาทาังสาแก้วอะ่ะค่ะเดีย๋ยวผมพาไปอืมไปทำไมอะ่ะไปให้น้องๆฟีีไงที่เขาอยากไปพิสูจน์ไง <laughs> จะเช็คห้องกันได้ไหมห้องที่ผมเคยเคยเล่าให้ฟังแต่ว่าผมไม่ได้ส่งรูปให้พี่หรอที่พูดเปรยว่าผมโดนเจ้าของโรงแรมเขาเชิญไปว่าห้องเขาปิดมาแล้ว3มปีอ่ะครับครับเพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนกินยาอ่าแล้วหลังจากที่ผมไปเจอมาทั้งคืนแล้วผมก็ออกมาบอกกับเขาว่าไม่มีอะไร เชื่อว่าตอนนี้เัาก็เปิดห้องอยู่แก่เยมาเนี่ยผมจัดให้โอ้ะฮะไม่ไม่ไม่ไมอยากพักพักเลยเออนะครับน้องพี่ไงเขาอยากเจอคุณมี่มันยังไม่มีโอกาสได้ไปไอ้จูวี่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอโอกาสอ่าจังหวะดีๆเนอะโอเคนะครับชานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดคุณคิงนะครับที่ไป อ่ารับเรื่องนี้มาจากน้องลูกเกดแล้วก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังนะครับเป็นเรื่องของโรงแรมที่หนึ่งที่อยู่ในจังหวัดสีสกเกตนะครับโอเคได้ฮะแมปฟังเรื่องนี้แล้วมันหลอนเสียงนี้จริงๆเลยผมผมจะหลอนติดหูแล้วผมใส่เฮดโฟนด้วยไงโอ้โหยนะครับได้คุณคิงเดี๋ยวยมีโอกาสเราคงจะได้ปะกันสักทีนึ่งนะครับยังไม่ได้เจอสักทีแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสคงจะพาทีมงาน ไปไปไปตะลุยอย่างอย่างที่อบอกนะครับแต่ขอโอ้ช่วงนี้มันจะแน่น น, นิดนึงนะครับเราจะเปิดให้เลยครับพราะั้นเดี๋ยจะผมเปิดรอให้เลยจะมาวันไหนใจยเย็นใจยเย็นใจเย็น <ๆ S 2> นะครับเดี๋ยวไว้รอจังหวะดีๆก่อนเนาะโอเคได้ครับคุณคิงยังไงคุณคิงรักษาสุขภาพแล้วก็ขอบคุณมากม า, ากนะเชิญแข่งครับพี่เจรับสวัสดีครับคุณคิงสวัสดีครับ